ที่เป็นคล้ายอัครสาวกแต่ไม่เรียกว่าอัครสาวกเรียกได้ว่าเป็นอัครอุบาสกคือเป็นอุบาสกเยี่ยมยอดคู่กันได้แก่จิตตะครรหะบดีผู้เป็นเลิศทางธรรมมักถึกคือเป็นนักแสดงธรรมและอีกท่านหนึ่งคือหัตถกาละวกะชื่อนี้เรียกรวมคำให้สะดวกลิ้นไทยที่จริงคือหัตตกะอาลวากะ หัตการลวกะนี้เป็นเอตตคทะในทางรวมใจหมู่ชนหมายความว่าเก่งในการสร้างความสามาคัคคีสร้างความเป็นปึกแผ่นของสังคมด้วยหลักสังหะวัตถุสี่คือท่านหัตการลวกะนี้เป็นผู้นำที่สามารถใช้สังหะวัตถุสี่ประการทําให้หมู่ชนของท่านอยู่ร่วมกันด้วยความสามาคัคคีแน่นแฟนมั่นคงพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า เป็นตราชูของอุบาสกบริษัท ต, ตราชูของอุบาสิกาบริษัทหรืออัคระอุบาสิกาก็มีคู่หนึ่งเหมือนกันได้แก่กุฎชุตตราซึ่งเป็นเอตตะคะทางพระหูสูตรคือผู้ได้เรียนได้ทรงจาธรรมะมากและนันทมาดาซึ่งเก่งทางฌานที่นำเรื่องแบบนี้มันเน้นไว้ก็เพราะว่าดูเหมือนชาวพุทธไทยเรานี้ จะมองพุทธศาสนาในเชิงที่เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลไปเสียแทบหมดไม่ได้สังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ถือว่าเรื่องส่วนรวมเรื่องของชุมชนเรื่องของสังคมเป็นสำคัญเพียงใดจะต้องเข้าใจดุลยภาพในเรื่องนี้กันไว้ให้มากสักหน่อยพูดผ่านๆว่าในหมู่สงฆ์ท่านเน้นความสามัคคีแล้วในสังคมคฤหัสถ์ท่านเน้นสังฆะวัตถุ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 มาเลมาสื่อเรียกว่ามาช่วยกันอย่างเต็มที่ด้วยวิธีเอาปัจจัยภายนอกมนุนนำทําการท่านผู้ฉลาดและมีใจปรารถนาดีก็คิดวิธีเอากระบวนการทางสังคมของมนุษย์มาเชื่อมต่อกับกระบวนการเหตุปัจจัยของธรรมชาติพอกระบวนเหตุปัจจัยในตัวเราเริ่มดาเนินไปก็สมใจปรารถนานี่แหละที่ว่าคนอื่นช่วยเราได้ไหม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 เราต้องเอาปัจจัยภายในของเรามาต่อพอเรารู้จักฟังตั้งใจฟังรู้จักพิจารณามีโยนิโสมนสิการแล้วสิ่งที่สดับมาเป็นข้อมูลเรียกว่าสุตะก็เกิดเป็นปัญญาของเราขึ้นมาไม่ใช่ว่าครูอาจารย์เอาปัญญามายัดใส่ให้เคยย้ําบ่อยๆว่าโยมขอศีลพระพระบอกว่าฉันให้ไม่ได้หลอกศีล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 ข้าพระเจ้าสมาทานรับเอาข้อปฏิบัติที่จะงดเว้นจากการทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงนี่เรียกว่าศิกขาบทคือข้อฝึกข้อศึกษาโยมขอศีลแล้วพระบอกข้อฝึกให้แล้วโยมไปฝึกปฏิบัติตามนั้นโยมก็มีศีลเองโยมขอสมาธิพระบอกว่าฉันให้ไม่ได้หรอกสมาธิให้ได้อย่างไร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 ร่วมมือร่วมใจกันดีให้เป็นบรรยากาศที่เอือ้อเป็นสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนแล้วแต่ละคนจะปฏิบัติทำจะทำงานทำการอะไรในชีวิตประจําวันก็ทำง่ายทำได้สะดวกและปลอดโปรง่งสบายใจแถมยังมาให้แรงช่วยกันอีกด้วยผลมาสองทางทั้งตัวเองก็ได้โดยตรงทั้งสภาพเอือ้อก็ส่งผลย้อนกลับมาหนุนด้วย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 ทั้งตั้งใจเอาจริงเอาจังในการศึกษาและใส่ใจจิตส่วนรวมช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่ว่าเอาแต่ตัวเหมือนอย่างแม่โคขณะที่เล็มยมหญ้าก็เหลียวหน้าแลดูลูกน้อยไปด้วยคำานึงว่าเขาได้กินไหมเขาอิ่มไหมดูเข้าไปให้สุขสบายด้วยกันพึงดูพุทธพจน์ดังนี้ภิกษุทั้งหลาย เรียบเหมือนโคแม่ลูกอ่อนย่อมเล็มหญ้ากินด้วยจำเลืองแลดูลูกน้อยไปด้วยฉันใดข้อนี้ก็เป็นธรรมดาของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิหรือพระโสดาบันคือจริงแท้อยู่ว่าอาริยสาวกย่อมถึงความขนขวายในกิจธุระใหญ่น้อยที่ควรทำอย่างไรอย่างไรของเพื่อนสัพพรมจารีทั้งหลายแต่กระนั้นอริยสาวกนั้น